เข้าหมดของการศนยนาธรรมสนยนาเรื่องอื่นสนยนามาเยอะแล้วนะนยนาธรรม ท, า, ทาบุญแล้วต้องเพิ่มพูนสติปัญญาโดยการพูดคุยธรรมะธรรมะอยู่นี่พูดกันได้ ไปพูดข้างนอกเขาไม่ค่อยได้ฟังกั น, นพูดอย่างเนี้ยพอฟังกันได้นยังไงโยมน้องเป็นยังไงทุกวันนี้การพิจารณาที่ให้ไปพิจารณาค่ะโมก็พิจารณาตามที่แม่ซานบอกก็ตอนนี้รู้ทันมันขึ้นเวลาที่มันเกิดความแน่อนอะไรขึ้มนมานะคะก็โยมกวากำบบไปตามอนุญา เสรล้บางทีมันก็กําหนดได้จนถึงมัดแต่บางทีมันก็มันกับสัญญาจําอะไรมันเข้ามาแทรกระหว่างที่เรากําลังถึงประมาณนิโรธเนี่ยค่ะ ม, มันก็สัญญาจําอะไรเข้าแทรกก็เออก็รู้ว่ามันเรื่สัญญาจํามันก็ปกติการพิจารณามันจะติดต่อเนื่องไปเรื่อย<ะ>เมื่อขณะที่พิจารณานั้นกําลังของพิจารณาอ่อน เมื่อกำลังพิจารณาอ่อนความคุ้นเคยของจิตที่มันเคยเชื่อมต่อกับเหล่าสัญญาขันต่างๆมันจะพวกสัญญาจะเข้ามาเชื่อมต่อกับจิตในเวลานั้นเพราะสติไม่พอที่จะกั้งกั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในขณะพิจารณานั้นให้มากพอมันจึงจะสามารถทําให้เกิดการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. การพิจารณา ถ้าเราไม่ใช้ความรู้ความเข้าใจให้มากพอในขณะที่พิจารณานะ ม, มันจะอ่อนกําลังลงเรื่อยอ่อนกําลังลงเรื่อยมันจะไม่ทําให้ไม่ให้ต่อเนื่อง เ, อเป็นบาเวลาบางเวลาก็ผ่านได้ได้ดีก็จนถึงขั้นพิจารณาดูหขั้นตอนก็ดูจากไปกับมาว่าเป็นหนกระดูกมันยุบแต่ถ้าถึงตอนนั้นมารู้สึกว่ามันจะเป็น สมาธิแล้วจิตมันจะสงบมันจะนิ่งสงบนิ่งแบบไหนก็นิ่งนิ่งคือมันเบาสบายเบาล่งแต่ว่าก็รู้ว่ามันมีเห็นเห็นเห็นอาการเห็นคัน ม, มันมันปรากฏขึ้นมาประโยชน์ของสมาธิคือนำมาใช้ในการเห็นอารมณ์เกิดดับ คือประโยชน์ของสมาธิแต่ถ้านิ่งและสงบอยู่เฉยๆอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์ของสมาธิแต่เป็นการแสดงลักษณะของสมาธิในตัวของมันพอสมาธิตั้งมั่นและนิ่งคงที่ไม่เป็นไปตามอารมณ์หรือไม่สัตสายตามอารมณ์แล้วใช้ความไม่สัตสายหรือความคงที่และความนิ่งนั้นดูอารมณ์เกิดดับเกิดดับนี่คือประโยชน์ของมันต้องเอาสมาธิไปใช้ให้เป็นประโยชน์นี้ไม่ใช่ ไปรักษาไปหงวงแขนไปประคับประคองไปทาทุกอย่างเพื่อให้มันสงบอยู่เฉยอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ใช่จะทรงอารมณ์สมาธิให้คงที่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ไปเห็นอารมณ์เกิดดับก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตัดลาดับการปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือการเข้าไปเห็นอารมณ์ที่มากระทบแล้วเกิดดับกระบแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วกดับลงไปตรงไหนยังไงก็ทบ มันต้องอาศัยสมาธิจึงจะสามารถเห็นการเกิดและการดับได้อย่างช่วงบางบางเวลาโยมก็จะใช้ที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิบางบางทีมันถ้ามันมันอยู่ที่ว่าอาการเราช่วงนั้นมันจะฟุ้งหรือว่าถ้าบางช่วงมันสงบมันก็คือมันมีสมาธิอยู่แล้วฟุ้งหรือไม่ฟุ้งมันเป็นเรื่องของอารมณ์สงบ ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันสงบไม่มีสมาธิอารมณ์มันก็สงบได้เพราะอารมณ์ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่คงที่อารมณ์ก็ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปมันก็คลายตัวมันเองได้ไม่มีสมาธิมันก็คลายตัวแต่การทาสมาธิเพื่อให้เกิดการตั้งมั่นในการรับทราบอารมณ์เวลามันกระทบเมื่ออารมณ์กระทบแล้วจิตเราตั้งมัน่นไม่เป็นไปตามอารมณ์ การผสมตัวระหว่างอารมณ์กับจิตไม่มีก็ไม่ก่อให้เกิดอัตตาอัตตาคือส่วนผสมระหว่างอารมณ์กับจิตที่กระพบกันแล้วมันเราไม่ทราบเราไม่ทำให้จิตตั้งมั่นมันเลยเป็นไปตามอารมณ์ร่วผสมกันก็เกิดอัตตาคือตัวตนในอารมณ์ชนิดนั้นนั่นแต่ถ้าเราตั้งมั่นไว้ปับ๊บอารมณ์มากระพบจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั้น ไม่เป็นไปตามอารมณ์หรือไม่ถูกอารมณ์ผสมหรือปรุงแต่งนั่นเองเขาใช้ควาว่าปรุงแต่งหรือใช้คาว่ า, วามาประกอบกับจิตเขาเรียกว่าสัมปยุทธภาษาบาลีสัมปยุทธ์คือประกอบในจิตประกอบกับจิตหรือผสมกับจิตหรือปรุงแต่งในจิตอารมณ์ใดก็ตามที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอาการของมันแล้จิตก็เป็นไปตามอาการนั้นนั่นคือการ การป่อเกิดอัตตาหรือสร้างตัวตนขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่านั่นคือลักษณะของการสร้างอัตตาในจิตแต่เมื่อเราเห็นอารมณ์เกิดในจิตตั้งอยู่ในจิตแล้วกระดับลงไปในจิตการเห็นได้อย่างนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาในขณะที่ เราจเจริญปัญญาโดยการเห็นอารมณ์กระทบจิตเกิดดับอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเพื่อจะทำให้จิตตั้งมั่นแต่หากไม่มีปัญญาคือไม่เห็นอารมณ์เกิดดับอารมณ์มากระทบแล้วเราข่มอารมณ์นั้นไว้ใช้ทุกวิธีทางเพื่อข่มใช้ความอดทนใช้ความอดกั้นไม่ให้ไปไปตามอารมณ์ข่มจนอารมณ์อยู่ภายใต้อานาจแห่งการขม่มอันนี้ จนจิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นเรียกว่าสมธะสมถะเมื่อได้ได้ตั้งมั่นเต็มที่แล้วหากไม่เอาไปใช้ในการเห็นอารมณ์คือไม่จเจริ่มวิปัสสนาขึ้นก็ได้แค่สมถะอยู่ทั้งปีทั้งชาติแต่ถ้าปัญญาเห็นการเกิดดับปัญญาอบรมสมาธิให้จิตตั้งมั่นเพื่อที่จะเห็นอารมณ์เกิดดับนั้นย้ำๆซ้ําๆอยู่เรื่อยๆจนทราบชาัดของแท้ ในอารมณ์ที่มากระทบจิตอยู่เสมอโดยมีปัญญาเป็นผู้อบรมเป็นผู้คอยบอกคอยสอนเป็นผู้คอยเห็นและรับทราบสิ่งที่มากระทบคืออารมณ์ไม่ให้ผสมหรือประกอบหรือปรุงแต่งจิตก็เห็นอารมณ์กระทบรับทราบอารมณ์นั้นก็ตั้งอยู่และกระดับ <h> เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับในระหว่าปัญญาอบรมสมาธิกับการคมจิตเมื่ออารมณ์กระทบอันนั้นเป็นสมาธิอบรมปัญญาแต่สมาธิจะไปอบรมปัญญาได้ จะต้องยกขึ้นสู่การพิจารณาเห็นการเกิดับถึงจะสามารถอบรมปัญญาได้แต่ถ้าโคมใจไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์ที่มากระทบคมคมคมคมคมอยู่ตลอดจนอารมณ์ไม่สามารถดึงใจให้สายแสได้แล้วเดีวเกิดความตั้งมั่นขึ้นเป็นความสงบเมื่อสงบมากเข้าก็เกิดความเยกเกียร์ลึกอยู่ภายในจิตแยกตัวเองไปเป็นอกประเทศตัดขาดจากอารมณ์อันนั้นได้แค่สมาธิ แต่ไม่ได้เอาสมาธิไปใช้ประโยชน์ในการเจริญปัญญา ม, มันก็ไม่เป็นผลหมายถึงว่าผลในทางพุทธศาสนาที่เราจะสามารถรู้และเข้าใจในหลักของอริย ส, สัจสีก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตเพอาะพรุทธเจ้าทรงชี้ตัวปัญญาเป็นตัวตัดสินสิ่งทั้งปวงที่มากระทบจิตเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งทั้งปวงเี่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดและกะดับไม่ใช่การคิดตอนแรต้องใช้ความคิดก่อน เป็นตัวนาคิดเพื่อให้เกิดการเห็นเห็นแล้วทราบแล้วเข้าใจแล้วของแท้แล้วกับอารมณ์นั้นไม่หลงอารมณ์ที่มากระทบจิตแม้ซักอารมณ์เดียวมันก็จะเกิดอนุโลมยานเรียกว่ายานค้อยตามหลักของความจริง mm hmm. เมื่ออนุโลมยานเกิดขึ้นก็นําไปสู่มรคยานคือยานที่เป็นไปเพื่อมรรคมรคยานนี้จะเป็นตัวมรคจิต ที่ไปเห็นอาสาวกิเลตที่หมักดองในจิตแล้วก็ทำหน้าที่ในการประหารแต่ละลำดับตามลำดับต้องเข้าใจําว่าปัญญาอบรมสมาธิและอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้ถูกต้องเราจะหยุดอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งไม่ได้เราต้องสร้างความความอะไร สัมพันธ์กันระหว่างสมาธิกับปัญญาให้คู่กันไปเหมือนกับการก้าวก้าเท้าก้าวเท้าขวาแล้วก้กาวเท้าซ้ายไปทีละก้าวอย่าไปแยกกันบางคนบอกว่าเอาสมาธาิปัญญาไม่ต้องเอาหรือเอาปัญญาสมาธิไม่ต้องเอามันก็เหมือนกับก้าวเท้าข้างเดียวเดินไปอีกข้างนึงไม่ต้องใช้งานมัน คือเก็บข้างหนึ่งไว้พับไปเลยเอาใช้ข้างเดียวยก้าวไปเป็นยังไงก้าวไปด้วยความลำบากใช่ไหมหล่ะหาก้าวไปด้วยกันทั้งสมถะสมถะและวิปัสสนามันก็ก้าวไปได้ง่ายจิตก็เข้าไปถึงที่หมายได้ง่ายไม่ลำบากสมถะอย่างเดียวไม่ได้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นจะหลีกเล่นในการฝึกสมถะอย่างไรก็ตามต้องยกขึ้นมาสู่วิปัสสนา หรือวิปัสสนามามากแค่ไหนก็ตามหากไม่ไ ม, ไม่ไม่มาอบรม ส, สมถ ก, ก็ไม่สามารถรู้แจ้งในอริยมรรคอริยผลได้มันรู้แจ้งไม่ได้และทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้บางคนบอกว่าสมาธิจะก่อให้เกิดปัญญาก็ทำสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเองไม่มีทางเชื่อไม่มีทาง ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิแล้วเอาสมาธิไปใช้ตามหลักของปัญญาคือเรื่องความเห็นเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับถึงจะเป็นปัญญาได้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองเราถูกสอนมาว่าให้ให้ทําสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นใช่ไหมละ่ะนั่นเป็นคําสอนแล้วก็เขาแปลมาว่าอย่างนี้แปลมาว่าอย่างนั้นด้วยเราก็ไปอ่านคําแปลมาแล้วไปยึดถือคําแปล เราจะเข้าใจปัญญานี้สําคัญที่สุดคือเป็นประธานในตัวกุศลธรรม ท, ทั้งปวงในบรรดามัดทั้งแปดสมาธิถีจนถึงสมาสมาธิมัดทั้งแปดเนี่ยปัญญาเหมือนกับคนทําหน้าที่เซ็นงานอะไรที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยส่งเรื่องมาหากปัญญาพิจารณาตรวจสอบดูแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ผ่าน ก็<ส>ไม่เห็นให้ไม่อนุมัติให้ปัญญาเหมือนกับเป็นผู้อนุมัติ <adore S 2> นะอนุมัติเรื่องทุกเรื่องจะผ่านอารมณ์ทุกอารมณ์ผ่านเข้ามาในจิตปัญญาเป็นตัวตัดสินว่ารู้หรือหลงสมถะตัดสินอะไรยังไม่ได้สมถาทําได้แค่สุกใจแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดสินขาดไม่ขาดอยู่ที่ปัญญาแล้วตัวที่เห็นพระนิพพานคือตัวปัญญาสมถาเห็นนิพพานไม่ได้ตัวที่เห็นนิพพานคือปัญญา ปัญญาคือองค์สมาธิที่เห็นนิพพานพสดาบันที่เรียกว่าเป็นผู้นิพพิถีสัมปันโนคือมีความเห็นอันสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความเห็นกหมายที่ว่าเห็นนิพพานแล้วก็เห็นอริยสัจเห็นการละสังยุตติเบื้องต่ำมันจะต้องมีความเห็นอย่างนี้ชัดเจนเป็นกิจของปัญญาสมาธิไม่สามารถทํากิจในการเห็นนิพพานได้ไม่สามารถทํากิจในการเห็นอริยสัจได้ไม่สามารถทํากิจ ในการเห็นสังโยชน์ที่ขาดวัฏจักรจิดได้สมถาะาทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของปัญญาล้วนแต่ปัญญาจะไปตัดสินหรือตัดสินสินน่งหรื น, น่าไก็ต้องอาศัยสมถะเป็นผู้สร้างเห็นไหมัน <c oughs> ต้องเกี่ยวโยงกันทั้งสมถาะาและอิปัสสนาทํางานด้วยกันสมาธิหรือสมถะจะเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิได้ก็ต้องอาศัย ปัญญาเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้บอกคอยบอกคอยจัดการคอยชี้ให้ให้สมาธิเป็นไปในทางที่ถูกเพราะมิจฉาสมาธิก็มีคือสมาธิที่เป็นไปที่ผิดก็มีสมาธิที่เป็นไปที่ผิดเป็นอย่างไรสมาธิที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิรองรับนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดแต่ถ้าสมาธิที่มีสัมมาทิฏฐิรองรับ ส ม, มาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสัมมาส ม, มาธิเป็นส ม, มาธิที่ถูกอย่างเงี้ยพอเข้าใจเปิดตังทิฏาจารย์ท่านอาจารบอกว่าอารมณ์ที่กระทบเรามันไม่มีดีมีชั่วมันไม่ดีมนมีชั่วพอเราลองมองดูมันก็มันก็สามารถคลายมันเองได้ที่เราไม่ต้องดูเกิดดับมันก็คลายใช่ถูกแต่การเห็นการดับการคลายตัวแล้ว อารมณ์ที่คลายมันบ า, บ, า บ, าบางบางบางบางต้องตามดูขนาดนั้นบางแค่ไหนก็ต้องดูว่ามันจางมันคลายมันห า, หายหรือมันดับขาดสิน้นแค่จางๆคลายๆและหายไปจนรู้สึกใจเบาขึ้นยังไม่พ อ, อต้องดูลึกจนชั้นก็เรียกว่าขาดแบบเรียกว่าดับไปจริงๆดับพือนไม่หลงเหลือก็อเรียกว่าดับโดยไม่เหลือถต่ถ้าเหลือแบบคลางจางๆเล็กๆก็ยังถือว่าเหลือ ต้องเห็นชัดถึงขนาดว่าไม่เหลืออันนี้ถึงจะสามารถตัดสินเด็ดขาดได้ด้วยทางปัญญาด้วยสมาธิถิก็จะเป็นทั้งสมถะและวิปัสานาอยู่ในนั้นเกื้อกูลกันเลยให้ทราบเลยว่าขณะที่เราเห็นการดับโดยไม่เหลือนั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสานาอยู่ในนั้นพร้อมแต่ในกิจในการเห็นพระนิพพานนั้นไม่ใช่ว่ามัดตัวอื่นจะไม่ไม่มาประกอบกับสมาธิถินะมันปรกนะกอบหมดทั้งแต่ ทั้งเจ็ดข้อประกอบการรวมตัวหมดแต่กิจในการเห็นก็คือสมาธิิเป็นผู้เห็นนิพานเห็นอริยสัจสีแล้วก็เห็นการดับไปของสังโยชน์ต่างๆเหมือนกับร่างกายเราทุกส่วนนี่ตัวที่ทําหน้าที่ในการเห็นก็คือดวงตาส่วนอื่นไม่สามารถเห็นได้อยเี้ยในน้ำพรองเนี่ยเพราะฉะนั้นกิจในการเห็นพระนิพานเห็นอริยสัจหรือว่าเห็นการขาดไปของสังโยชน์แต่ละลําดับ สังโยชน์ในชั้นโสดาันสากัาคามีอนนาคามีเรืออรหันเป็นเรื่องของปัญญาล้วนแต่ปัญญาที่มีองค์มากทั้งเจ็ดรองรับอยู่ทำหน้าที่ร่วมกันถ้าเจอเรื่องพิจารณาล่งางกายหรือท่าตอในเวลาเราทำดูเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็บิดคั้นเรามเราจะแก้ยังว่าททำให้ถูกวิธี ดูกเกิดดัราดได้แต่ว่าพอพิจารณาล่ า, างกายมันมหนักอะคะ่ะใช่เ ร, เราทําไม่ถูกตั้งแต่แรกทํายังไงวิธีทำก็ทําเหมือนที่อาจารย์บอกพิจาาล่ า, า, างกายคิดคิดไปแบบช้าๆธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปเค้นมันมากาไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปเค้นเพื่อให้เห็นแค่ให้คิดได้นะคิด ไ, ได้ก่อนเอ เอาเอาชั้นของความคิดอย่าพึ่งเข้าไปเห็นมันพระเรายังไม่สามารถที่จะเห็นมันได้ไปเค้นมันมากเกินไปมันก็เลยฝืดๆมันก็เลยหนักๆ mm hmm. อย่าไปเค้นค่อยๆ ค, ค, คิดว่าหมดลมหายใจคิดตามธรรมดาต่ตองตามธรรมดารคนเราหมดลมหายใจมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใช่ไหมละ่ะเมื่อหมดลมหายใจร่างกายเราก็เย็นลงอาการที่เย็นลงก็คือธาตุไฟมันออกไปหรือว่ามันแตกสลายไป ธาตุลมก็หมดออกไปแล้วลมก็ขาดออกไปจากร่างกายเมื่อธาตุไฟออกไปด้วยร่างกายก็เลยเย็นเหลือแต่ดินกับน้ำที่เราจะพิจารณานดูอยู่กับกายสังขารที่ปราศจากลมและไม่มีธาตุไฟหล่อเลี้ยงร่างกายก็แข็งทื่อเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนคิดไปอย่างนี้ เมื่อร่างกายแข็งทื่อท่อนไม้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนก็ไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรและไม่รับรู้รับทราบสิ่งทั้งปวงใครจะร้องไห้ใครจะเสียใจใครจะทุกข์ใจอะไรกับเราพี่ลีพี่ไรลำพันร่างกายก็ไม่ได้รับรู้ก็นอนทื่ออยู่นั่นน่ะไม่เป็นไทื่อไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนานทิ้งไว้นานวันเข้าร่างกายนี้เหลือที่ดินกับน้ําาอย่งที่มันเหลืออยู่มันก็จะเริ่มแยกตัวกัน เพราะว่าดินกับน้ําเป็นส่วนประกอบที่อยา่างแต่ไฟกับลมเป็นส่วนประกอบที่ละเอียดไฟทําให้ร่างกายเราอ่อนนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้คือความอ่อนไฟเอาไฟไปน ล, นลนก็อ่อนใช่ไหมนะล่ะลมที่พึ้งอะไรก็อ่อนในทํานองเนี้ยถ้าลมก็ทําให้ร่างกายกับน้ําอยู่ด้วยกันได้พอมีลมหายใจเป็นตัวเป็นตัวพัดเป็นคออุ้ม เหมือนกับโลกใบนี้โลกใบนี้ตั้งอยู่กลางอาวกาศได้ก็เพราะมีธาตุลมเป็นตัวอุ้มอย่างเงี้ยลมอุ้มน้าน้าอุ้มดินไฟก็คือดวงอาทิตย์คือธาตุร้อนทำให้ระบบหมุนเวียนเพราะถ้าไม่มีธาตุไฟคือไม่มีธาตุร้อนในจักรวาลคือดวงอาทิตย์ระบบก็ไม่หมุนเวียนทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งเพราะไม่มีธาดไฟ ต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะไม่มีธาตุไฟเพราะร่างกายมนุษย์ต้องอาศัยธาตุไฟเหมือนกันทำนองเดียวกั น, นเหลือแต่ดินกับน้ําที่เหลืออยู่ที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็คิดใช้ความคิดก่อนมากเมื่อดินกับน้ําในร่างกายเราที่ตายแล้วมันก็จะทําการแยกตัวของมันน้ำอย่างในร่างกายเราจะแยกโดยการดันดินออกมา ในาการดันออกมานั้นก็เลยทําให้ร่างกายานั้นบวมขึ้นอืมมันก็จะดันออกมาเรื่อยๆ ร, ร่างกายรเราก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆตาบวมตาแขนบวมขาวบวมชีโดทีเดขึ้นฟ้าคือมองจากซากศพที่เราเห็นแม้แต่สัตว์ตามข้างทางที่ถูกรถชนตายเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมหลังร่างกายเราก็ไม่ไแตกต่างจากนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นภาพมนุษย์ตายจริงๆ จะเห็นจากภาพเทียบเอานะเทียบเอาอย่างนั้นตาถะลนลิ้นจุก ป, ปากจากนั้นมันก็ร่างกายก็เริ่มปีแตกออกผิวหนังเริ่มปีแตกน้ําเหลืองน้ําเลือดก็เริ่มไหลออกมาตามรอยปีแตกของร่างกายเมื่อน้ําเหลืองน้ําเลือดไหลออกมากเข้ามากเข้าเนื้อหนังก็เปื่อยยุย่ยเมื่อเนื้อหนังเปื่อยยุย่ยเกิดการย่อยสลายเมื่อมีการย่อยสลายเนื้อหนังทั้งหมดก็หลุดร่วงออกไปจากโครงกระดูก เมื่อเนื head, well. ้อหนังหลุดร <c oughs> so, ่วงออกไปเปลือยยุยยุยยุยยยเหลือแต่โครงกระดูกหมดสิ้นมันก็ส่วนที่เป็นน้ําก็ซึมลงดินส่วนที่เป็นเนื้อหนังที่ส่วนเป็นโครงของธาตุดินนะก็จะกลายเป็นดินก็เหลือแต่โครงกระดูกหัวกระโหลกโครงกระดูกลาตัวโครงกระดูกขาเราก็เห็นเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกไม่ปรากฏว่าเป็นเพศใดเป็นเพียงแค่โครงกระดูกกาหนดไม้ในโครงกระดูกนั้นว่า แม้โครงกระดูกที่เหลืออยู่นี้ก็ถึงการผุ ก, ก่อนแน่ทิ้งไว100้ร้อยปีพันปีหมื่นปีหรือแสนปีคิดคำนวณอย่างนีค้คิดไว้คิดไว้คิดไว้ว่ามันต้องถึงการผุ ก, ก่อนการผุ ก, ก่อนของโครงกระดูกตั้งแต่หัวกระโหลกลำกลัวเราแขนเราขาเราพวกนี้มันจะต้องยุยยุบแล้วก็สลายลงสู่ความเป็นดินพอเราเห็นโครงกระดูกยุยยุบเห็นทางความคิดนั่นแหละ ย, ยังไม่ต้องเห็นภาพยุบลงไปเป็นดินแล้วปับ๊บ ก็ว่างปล่าไม่มีอะไรอ๋อเรากับดินเดียวกันดินกับเราเป็นเดียวกันอย่างเงี้ยพอเห็นเห็นในภาพอย่างนี้ชัดแล้วว่าดินคือดินน้ําคือน้ําไฟคือไฟลมคือลมก็ตั้งความคิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแบบเดียวกันตามลําดับช้าๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะใช่จะพิจารณาเร็วไปหรือถ้าเร็วไปนั้นไม่ได้เร็วมันจะไม่มันจะไม่ได้ต้องช้าๆ เซตคนที่อาจารย์พูดนี่แบบใช้เวลาพอสมควรนะคะเปิดบริษัก็พอสมควรจนมันชํานาญแล้วมันถึงจะเร็วได้อันที่พูดบอกว่าพี่นะได้ทั้งวันทั้งคืนคือมันชํานาญแล้วนั่นน่ะชํานาญแต่มันจะเริ่มจากช้าๆพอเริ่มชํานาญแล้วปั๊บจัดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเริ่มสร้างนิมิตขึ้นมามันจะเริ่มสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็นทุกอย่างผ่านความคิดคือ ความคิดพี่นาเห็นดินน้ำไฟลมใช่ไหมน่ะเวลาเรามองทุกอย่างจะมองผ่านความคิดชนิดนี้จะมองเห็นทุกอย่างเป็นดินน้ำเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอาตมาเลยมาทําความเข้าใจในวิถีจิตของมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกเขาเห็นอะไรก็ตามเขาจะเห็นผ่านความคิดของเขาเขาไม่ได้เห็นความจริงเขาจะเห็นผ่านความคิดโดยเฉพาะจิตที่ไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมะมาน่ะเข้าใจ เข้าใจเห็นทุกอย่างตามสิ่งที่เขาคิดว like ่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้อยู่กับความจริงสักทีมนุษย์จึงไม่ได้อยู่กับโลกของความเป็นจริงจึงอยู่ในโลกความเป็นความคิดรับรู้อะไรก็คิดตามนั้นรับรู้อะไรก็คิดตามสิ่งที่เขาเข้าใจตามสิ่งที่เขาคิดเหมือนกันเวลาเรามาฝึกให้คิดให้เห็นกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจนเกิดเป็นความชํานาญแล้วเวลาเรามองสิ่งต่างมันก็เลยเป็นการมองผ่านความคิดรับทราบผ่านความคิดที่เราฝึก พิจารณาไว้แล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นดินน้ําไฟลมเราก็มองเห็นทุกอย่างเป็นดินน้ําไฟลมหมดเลยภาพที่ปรากฏคือเห็นมนุษย์เหมือนกันเห็นและเห็นทางด้านสมมติรับรู้ทางด้านสมมุติแต่ในอีกชั้นหนึ่งที่ไปเห็นสามทับในสิ่งที่เห็นชั้นของสมมุตินั้นสามทับลงไปว่านี่คือดินน้ํำไฟลมภาพที่เราพิจารณาจะปรากฏให้เราเห็นรูบด้ลลลสลายลงไปหากใครฝึกถึงระดับนี้จะเข้าใจว่า สิ่งที่เราเห็นนั่นอ่ะมันจะปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาเห็นสิ่งใดก็ต้นไม้ก็ดินน้ําไฟลมตึกเราบ้านช่องก็เห็นเป็นดินน้ําไฟลมตัวพนตัวมนุษตัวสัตว์พิจารณาให้เราต้องเอ่อเทียบกับอันอื่นได้หรือว่าต้องเอาตัวเราเทียบได้ตัวอื่นก็ได้ยกร่างกายคนนั้นคนนี้มาก็ได้ถ้าเทียบมันจะพิจารณาง่ายเอาอันที่ง่ายจําไว้เลยว่าวิธีการใดๆก็ตามที่ง่ายใช้วิธีการนั้น ขนาดอาตมาไปเปิดอหลักการพิจารณาร่างกาย9ขั้นตอนที่เรียกว่านาวสีติกาบัตป่าช้าเก้าเก้าเก้าประเภทร่างกายเป็นป่าชา้าในป่าช้าขาดกันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอะไรตัวเอเนี่เขียวพองขึ้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขียวช้ำนอน น, อ น, นอนชอนชัยอันอันอ น, นอนช้อนชัยตา ม, มาไม่ค่อยจะเอามันสะอิดสีเอียนเเลยไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ คือถ้าเราเอามาพี่นาเลื่องเจาะลึกเฉพาะนอนชอนชัยนี่นะกัดกินมันมันมันจิตจะอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงสูงคือเกิดการเสียดสีแล้วมันมันมันหน้าหน้าอะไระอ้วกอะไรแี้มันก็เลยกลายเป็นเขาข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยไม่ข้ามอะคือพี่นาเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบแล้วก็พานไปเอาเดี๋ยวจิตมันจะไปติดอยู่ไปคล้องอยู่นะกับอารม ของความนี่จะยากตรงที่พอเป็นโครงกระดูกปุ๊บให้มันสลายลงดินเนี่ยมันจดนานอะไรเงี้ยคะ่ะคิดต้องใช้ควาคิดอะไม่างงเดี๋ยว <laughs> ต้องมีทคิคที่เราจะเราให้มันเป็นแสบเป็นลายด้วยโครงกระดูกมันจะ ย, ย่อยมันเป็นดินได้ด <c oughs> มันจะนา <c oughs> นท่านอจารนะคะอย่างโรงเนี่ยก็ไม่จาระนาแล้วมากินขงง้าวแล้วเห็นหมูแล้วรูสึกว่า อันนั้นผลข้างเคียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นต้องพี่นาเห็นเป็นถาให้เห็นพี่นาจนจนถึงที่สุดคือความเป็นดินแล้วมันจะทาลายความสีสีเยนไปนดินแ ต, แ ต, แต่ตอนินนั้นโยมก็พิจรารณาว่าเอาเ อ, เ, อเป็นกินอรแล้วเี๋ยมันก็เล่ส แ, าาแล้วมันก็ออกมาเป็นอาหารเก่ามันกายเป็นดินแต่ก็พิจารณา่านี้ะคะแล้วมก็มีครั้งหนึ่งเห็นผู้หญิงคนนั้นสยยวยคะโยมก็ดูพร้อมอยู่ เป็นเป็นท่านลมท่านไฟอะไรมันเลิกเหน่ยแล้วตัวเขาก็ล้มลงคือเขาในในความที่เราเห็นเอาล้มลงตรงนั้นเนี่ยนะคะนันก็ดูว่าเป็นกองเองแอดมินอยากทราบคาถามของญาติธรรมด้วย คือไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินคนที่ถามที่คุยน่าจะเป็นอย่างนั้ น, น, น, น, นแต่ไม่เช้าไม่ยอมฝันพูดดังๆพี่ไ่เช้าไ่ยอมฝันจะไเม <laughs> มันมันชอนชอ น, ชอนไปในเท้ากับมือ่ะยอมก็พยายามดึงมันออกแล้วก็ถลดกหนัง ม, มือออกอะค่ะจนเห็นเตมเนื้อใส่เดือนอยู่ในนั้นเต็มแลวก็ตก็ฝันใช่ไหม นิมิตนิมิตหมายความนิมิตจะมีอยู่สองประเภทหนึ่งสุบินนิมิตคือนิมิตที่แสดงปรากฏทางความฝันสองสมาธินิมิตนิมิตที่ปรากฏทางสมาธิคือทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตอย่างเงี้ยปัญญานิมิตไม่พอดีปัญญาส่วนมากจะทำลายนิมิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิมิตจะเกิดขึ้น สอสุบินนิมิตคือฝันแล้วก็สมาธินิมิตคือจิตเป็นสมาธิเกิดเป็นนิมิตขึ้นแต่ในในในนิมิตที่เป็นเครื่องบ่งบอกทางธรรมแม้จะเกิดผ่านสุบินนิมิตก็ตามแต่เป็นการเกิดผ่านโดยมีสมาธินิมิตรองรับคือมีความสงบ ตัวสมาธิลองนับขณะที่นอนหม น, นั้นเป็นสมาธิเบียบอ่อนๆในลักษณะ น, นี้ถ้ามันแสดงเรื่องของหลักธรรมขึ้นมานะ<ม>ก็คือเป็นสุบินนิิต ท, ที่บ่งบอกในเรื่องธรรมะในขณะที่ปฏิบัติอยู่นขนะขณะที่ในส่วนมากการพิจารณาร่างกาย จะติดกันที่โครงกระดูกอาตมาก็เคยเกิดปัญหาในขณะที่ปฏิบัติอยู่เหมือนกันจะทำยังไงให้โครงกระดูกมันยุ่ยสลายไปยังไงยึดึกยังไงก็ต้องใช้การเวลาเข้ามาใช่ไหมละ่ะการเวลาเท่านั้นที่กินศัพท์ศีลเราว่างนะคือทุกอย่างเขาจะต้องสลายย่อยสลายไปตามการเวลาเราก็ตื่นนึกไว้ว่าร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีหรือล้านปีหรือจะปีนี้ไหนก็ตามมันไม่หลงเหลือหรอกร่างกาย ในส่วนแม้จะเป็นโครงกระดูกนี้เองก็ตามก็ต้องกลับกายสลายกลายไปดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเข็มจิ้มลงไปที่แผ่นดินจิ้มลงไปเลยปลายเข็มนั้น่ะจิ้มลงที่ใดก็ตามเป็นที่ที่ฝังร่างกายเราทุกที่ไม่มีที่ใดเลยที่ไม่มีกระดูกเพราเราอยู่ในโลกนี้พเดยาวไปงั้นนะ กระดูดของเราที่เคยตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดเป็นสัตว์แล้วตายในภาพของความเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์แล้วตายในภาพของเป็นมนุษย์แล้วเกิดตายเกิดตายอย่างเนี้ยสะสมกันพ่อคูณกันดินที่มันเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันมาจากซากร่างกายของเราเนี่ยซากกระดูกนี่ไม่มีที่ไหนเลยที่ที่ที่ไม่มีกระดูกของเราผลมันอยู่นี่แหละเป็นดินทั้งนั้นเดินเหยียบนีเดินเหยียบย่ำกระดูกของตัวเองเราเราก็ไม่รู้ ก็ ม, มีอยู่ทุกที่วิปัสสนาญาณเรียว่าการคิดให้ควรตามหลักของความจริงอย่างนี้จะทําให้เราเกิดความเห็นเพื่อไถ่ถอนการคิดถือในตัวตน้เราจะเอาอะไรมาเป็นตัวตนของเราพระเจ้าไม่ให้ปฏิเสธร่างกายไม่ให้รังเกียจร่างกายแม้มันจะเป็นของน่าเกลียดปฏิปุจคุณโสโครกตามการพิจารณาหลักของความจริงก็ตามแต่พระองค์ไม่ให้รังเกียจพระองค์ให้มีเมตตาสิ่งที่พระองค์ทสอนเพื่อให้เกิดอารมณ์ญาณในการอารานุโลมญาณที่จัด ให้เราถอดถอนการยึดมัน่นทําไมพวงให้มาถอดถอนการยึดมัน่นเพราะการยึดมั่นอยู่ในตัวร่างกายมันเป็นหุกอยย่างเี้แต่พวงไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้รังเกียจไม่ให้ไม่รังเกียจกมีแต่เมตตาต่อกันมีแต่กรุณาต่อกันมีแต่พอทำสิ่งดีๆต่อกันหลักธรรมมันจะเคยจะเกิดขึ้นหลักคํามสอนจะไม่ขัดแย้งกับหลักความจริงในการความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ในสีที่พวงทรงบัญญัต หลักทำไว้เน่ะเพื่อแก้ไขการยึดมั่นถือมัน่นภายในจิตเราเพราะจิตเรามีความหลงที่จะยึดอยู่เรามีความหลงที่ยึดนี่เองเพราเราต้องการถอดถอนความหลงไม่ให้จิตมันหลงมากยึดแม้มันยึดอยู่ก็อย่าไปยึดให้มันเต็มเต็มหรือถ้าจับก้อนหานเพลิงอยู่ก็อย่าจับให้มันเต็มเพราะมันจะไม่หรือว่าทําความเสียหายให้กับผู้จับนั้นรุนแรงก็จับจับปล่อย หากปล่อยวางได้ขาดก็ก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับคนผู้ปล่อยวางได้ขาดก็ ค, คือความทุกข์ก็จะน้อยลงเบาบางลงหรือจะไม่มีลงหลักการทำโฆษณามีจุดมุ่งหมายเดียวคือไม่ให้คนมีความทุกข์แต่จะไม่ให้มีความทุกข์แบบฟังเตุฟังคําแล้วไม่มีความทุกข์อย่างเงี้ยไม่ใช่ มันมันจะต้องไม่มีโดยการพืชปฏิบัติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงที่มีในตัวเราความทุกข์ใดก็ตามที่มันมีอยู่ก็ให้เข้าใจความทุกข์ที่มันมีอยู่นั้นแต่อย่าให้มันมีความทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่มีอยู่แต่มาจะเน้นตรงนี้เสมอว่าจะไปสอนที่ไหนยังไงก็ตามอย้มันมีความทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่มีอยู่เพราะกายสังขารและจิตตสังขารของเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วโดยตัวของมัน อย่าไปสร้างให้มันเพิ่มขึ้นตอนนั้นเองความแก่ไปอยู่แล้วในกายความเจ็บมีอยู่แล้วในกายความตายมีอยู่แล้วในกายหาไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาถึงตนอีกในภพหน้าชาติหน้าหรือในภพต่อๆไปก็ให้ยุติการมีกายนี้ทำยังไงถึงจะไม่ยุติถึงทำยังไงถึงจะให้เกิดการยุติการมีกายนี้พพุทธเจ้าบอกว่าไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายทางด้านความเห็น ที่เห็นว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราไม่ยึดถือกายมีอยู่ให้ให้รู้จากกายที่มีอยู่นี้ตามความเป็นจริงว่าคือตัวทุกข์จิตมีอยู่ก็ให้รู้จิตนี้ตามความเป็นจริงว่าจิตมีทุกข์เมื่อกายมีอยู่จิตมีอยู่บุคคลผู้รู้ทุกข์ในกายในจิตตามความเป็นจริงก็จะไม่เกิดการยึดถือในกายในจิตจิตที่ไม่ยึดถือกายและไม่ยึดถือจิต เราต้องเข้าใจว่าคําว่าจิตเนี่ยหมายถึงตัวจิตนั่นแหละที่ไม่ยึดถือทั้งกายและไม่ยึดถือตัวของมันเองทาการยึดถือภายในตัวของมันเองเพราะจิตเป็นผู้หลงยึดถือตัวเองจิตยึดถือจิตนั่นเองจึงเป็นปัญหาให้เกิดมีพบมีชาติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตเพื่อให้รู้กายและรู้จิตสุดท้ายคือรู้จิตเนี่ยตัวสุดท้ายกายยังไงก็คือกายพราะถึงพาวตายก็คือไม่เกินร้อยปีหรือถ้าเกินร้อยปียังไงก็ต้องตายชีวิตคน กายแต่จะเห็นจิตตายนี่ไม่ค่อยเห็นกันแต่กายตายนี่มีการเห็นปรากฏแต่จิตตายนีใครเคยเห็นไหมล่ะไม่มีใครเคยเห็นพราจิตตายยังไงเพราะฉะนั้นเองพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลผู้หลงกายยังดีกว่าบุคคลผู้หลงจิตบุคคลผู้ยึดกายยังดีกว่าผู้ยึดจิตเพราะอะไรเพราะยึดกายไปถึงที่สุดแล้วก็ยึดไม่ได้อีกต่อไปมันก็รู้อยู่ยืนเวลาสุดท้ายก็ต้องจาดต้องทิ้งต้องละต้องแตงสลายไปก็ทราบอยู่เมื่อถึงเวลานั้นไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยัง้ง ความพัฒนาความแตกสลายความจากการลาจากกันหยุดยั้งไม่ได้หรอกผู้ชาย อ, อก้ก็แค่ยึดถือไปแค่ได้ร้อยปีไม่เกิดนั้นแต่จิตนี่ไม่มีใครเห็นเลยว่าจะตายแล้วก็จะปล่อยวางมันได้เพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดที่กอ่อให้เกิดมีกายและมีจิตสืบเนื่องกันอยู่ไม่ขาดสายเกิดเป็นพบเป็นชาติแล้วก็ไม่สามารถหาข้อยุติในวงจรแห่งความทุกข์สาหรับตัวเองได้ ก็เพราะว่ายึดจิตนี่แหละเพราะนั้นการที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะเพื่ออบรมจิตให้ไทยถอนการยึดถือในตัวจิตเองคือไม่ให้จิตยึดถือตัวของมันเองสร้างความฉลาดให้กับจิตเมื่อจิตไม่มีการยึดถือในตัวเองจิตก็จะเกิดการทําลายตัวเองเมื่อจิตเกิดการทําลายตัวเองโดยไม่มีการต่อไม่มีการต่อต่ออะไรต่อพบต่อชาติให้กับตัวจิตมันก็หมด เหมือนกับ จ, จุดเทียนหนึ่งแท่งเมื่อรู้แล้วว่าเทียนเทียนแท่งนี้ไม่หมดแล้วไฟก็จะดับแล้วไม่มาต่อเทียนดวงนี้อีกอย่างเงี้ยก็รู้ว่าดับเพราะไม่มีตัวตัวเทียนตัวอื่นมาต่ออีกไม่มีดวงไฟดวงอื่นมาต่ออีกมันก็มันก็ทราบอยู่ในชนภายในจิตว่าดับดับตัวเองหมดอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้จิตที่มีความไม่รู้อยู่ภายในจุดเทียนไหม พอเทียนจะหมดเอเทียนใหม่มาตออย่างเงี้ยอาจจะมีเทียนเล่มโตคือบุญกุศลตอนน่อในพบชาติที่เป็นสุขติภูมิบนเทวโลกบนภพ ม, มโลกยาวนานเลยที่นี่ยาวนา น, นถ้าเทียนเล่มโตเล่มใหญ่นะมันบังผลสร้างไว้พบชาติที่ยืดยาวนานอันนั้นอันนั้นก็ยืดยาวนานจริงจริงพระเจ้าจึงบอกว่าบรรดาบุญทั้งหมดนําสู่พบชาติ เหมือนกับเราสร้างเทียนตัวใหม่ไว้เพื่อสืบต่อวิถีแห่งจิตของเราเร า, เราไม่เข้าใจในภพชาติเอาบุญทั้งหมดมาเพื่อดับทุกข์ให้กับตัวเองโดยการหลุนจิตให้เราไปรู้พระนิพพานอันเนี้จึงจะเป็นการทําบุญที่ถูกตามหลักพุทธศาสนาบุญทั้งหมดที่เราสร้างมาเอามาหลุนจิตให้จิตเกิดความรู้ความเข้าใจในการดับการยึดมั่นถือมั่น จิตขอองงเเราเคือดับอวิชานั่นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ปรารถนาพบชาติปรารถนาการเกิดปรารถนาความอยู่ดีมีสุขจะเอาอะไรมาอยู่ดีมีสุขในโลกนี้เมื่อโลกนี้ผู้ไเจ้าหรือว่าตามหลักธรรมกาหนดไว้แล้วว่าเป็นทุกข์เราจะเอาอะไรมาเป็นความอยู่ดีมีสุขพระอริยเจ้าท่านจึงไม่ปรารถนาความอยู่ดีมีสุขอะไรเลยท่านก็ไปอยู่ในปาน่าใี่เขาอยู่ที่ไหนๆท่านก็อยู่ได้เอาแล้วก็บอกว่านาวิสาขาหร่ะ ทำไมนางถึงอยู่ดีมีสุขนางมีทรัพย์สมบัติเงินท้องข้าของเยอะแยะ ก, ก็อยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนางวิสาขาบ้างมีอะไรมีการทําบุญให้ทานเนี่ยมีทั้งร่ำรวยด้วยอย่างเงี้ยอยากจะพวบคู่กันไปอย่างนี้เราใช้ความอยากเกินกว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับเรานางวิสาขานั้นเป็นสีที่นางหลีเลี่ยงไม่ได้เพราะนางได้ทาบุญไว้แต่ปางก่อน นางหลีเลี่ยงจากผลบุญของนางก็ไม่ได้แม้แต่ตอนที่นางแย ก, กตนเองไปอยู่ในครอบครัวของสามีทางทางพ่อที่จะแบ่งแบ่งแบ่งอะไรให้แบ่งทั้งคนแบ่งทั้งสัตว์ใช่ไหมให้ว่าให้นางเลือกเอาเท่าไหร่จะเอาไปเท่าไหร่นางก็บอกว่าสัตว์ตัวไหนจะไปกับเราก็ไปก็จงไปสัตว์ตัวไหนไม่อยากจะไปก็ ก็ให้อยู่ใช่ไหมคนรับใช้คนไหนต้องการจะไปกับเราก็จงไปคนไหนไม่ต้องการจะไปก็ให้อยู่ด้วยบุญที่นางเคยเคยทํามาเน่ะสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในข้ อ, อก็ตามนางไปหมดเลยเดินตามไปหมดเลยด้วยกําลังของบุญไอเราไม่เคยมีบุญมาแต่ปางก่อนจะให้ใครมาหาเป็น <laughs> ยากเหลือเกินเลยนะ <laughs> ไม่ใช่ง่ายง่าเลยบุญมันไม่พอบุญมันไม่มีใช่ไหมคนรับใช้ที่รับใช้นางวิสาขาหรือคนงานต่างๆก็ ต, ติดตามนางวิสาขาไปด้วยกำลังของบุญของนางเองบุญบันดาลให้คนเหล่านี้ยติดตามไปมีบริวารมากมายคอยช่วยเหลือก็ก็เกิดกำลังจากบุญทนั้นเขาบบุญอะไรเขอบอกนางวิสาขาใส่บาตรแต่ก่อนนี้นะอธิษชาตนนะใส่บาตรพระผู้โดยเจ้าหรือพระอริยเจ้านี่แหละประมาณนี้พระบอกว่าพอแล้วพอแล้วตเต็มบาตรแล้วนางวิสาข า, ขาบอกว่าไม่ไมพออยากจะใส่อีก ขอพระคุณเจ้าจงรับอีกใส่อยู่นั่นแหละจนลน้นจนเหลือจนจนพระบอกพอยังไงก็ไม่พอพ ร, ระใส่สัตว์ที่เดินออกมาจากพอกก็เดินเดินออกมาอย่างนั้นแม้เขาจะ ก, กาั้นคอกไว้ก็กระโดดข้ามออกมาเพื่อติดตามติดตามนางวิสาขาไปอยู่ด้วยบุญนั่นคือบุญแต่ถ้ามันบุญไม่มากขนาดนั้นก็อย่าไปตั้งความอยากให้มันได้อย่างนั้น ให้มันอยู่ในฐานะที่ควรเป็นในวิสัยที่เราเป็นบุคคลผู้มีปัญญาก็จะไม่สแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นก็จะแสวงหาความสุขจากสิ่งสิ่งที่อยู่ในตัวเองเนี่ยคือความสุขที่มันเกิดจากการรู้จักการดับทุกข์และวิธีการวิธีการเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าไปดับทุกข์ภายในตัวเราหลักการและวิธีการที่จะอะไรไม่ให้พวกเราดิน้นรนมากเกินไปผู้ที่ราสอนพิธีง่ายๆคือเข้าไปรู้และเข้าไปเห็น อาการที่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็ใช้สมาธิและวิปัสสนานี่แหละอบรมใจตัวเองแล้วก็เข้าไปเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นดิ้นรนอยู่ภายในนี้ให้มาันมงบลมแล้วก็ตัดสินด้วยปัญญารู้ชัดว่าทุกอย่างเกิดและกระดับเกิดและกระดับอย่าไปยึดถือหรือมั่นหมายสิ่งนั้นให้มากเกินไปการยึดถือมั่นหมายสิ่งนั้นให้คงอยู่ให้มีอยู่ให้เป็นตปอยู่มากเกินไปก็ไม่ดีมีแต่จะทําให้เราทุกข์ปัญญาก็ตัดสินอย่างนั้นเมื่อปัญญาได้ตัดสินอย่างนั้นแล้ว มันก็ก็จะไปทุบไปร้อดอะไรกับอะไรมันก็ไม่มีการทุบ ก, การร้อนอะไรกับอะไรแค่นั้นเองหลักการพุทธศาสาสอนวิธีการอย่างนี้ยกตัวอย่างของการยึดจิตคือแบบไหนครับพระอาจารย์อยากรู้ไหมการยึดจิตแบบไหน การยึดจิตก็คือยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณนั่นคือการยึดจิตเข้าใจไหมสุขเกิดขึ้นยึดความสุขหรคือการยึดจิตทุกเกิดขึ้นแล้วก็ยึดทุกราะคนบอกอ่อคนที่ยึดทุกมีอยู่หล้อมีแต่คนไม่อยากให้มีทุกแล้วคนยึดทุกมีอยู่แล้วมีไหมมมีเนาะ ใช่ไหมชอบคิดถึงแต่เรื่องทุกข์ที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าบันทุกแต่ก็คิดมันอยู่นั่นแหละไม่วางมันสักทีไอ้คนเนี่ยยึดทุกข์ใช่ไหมแล้วแล้วยึดยึดในความทุกข์ในจิตยังไม่พอนะชอบฟังเพลงที่มันกระตุ้นความทุกข์ในจิตเพิ่มเข้าไปอีกเศร้าอะไรประเภทเนี่ยฮิลลี่อะไรลําพันธ์อยู่นั่นเลยเขากเคลียรอยู่นั่นเลยจงอยู่ดีกับการยึดอันนั้นคือยึดจิตพูดให้งานว่ายึดอารมณ์ทั้งปวงที่เป็นนามธรรมเรียกว่ายึดจิต ยึดสัญญาขันยึดสังขารขันคือยึดจิตยึดวิน ญ, ญาการรับรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคือคือยึดจิตยึดบรรดานามขันทั้งสี่ทั้งหมดเรียกว่ายึดจิตเช่ไหมเข้าใจยังอาจารย์คะคือคาว่าจิตเกียใจก็เป็นตัวเดียวนี่คื อ, อ, ใจใจคอนามขาาัมนสี่เนี่ยคะอาจารย์ดูด้วยกันอาจารย์ก็จะแบบว่าจิตเพราะฉะนก็จะเคยถามจิตหมายถึงอะไร นี้คือวัหานการพูดมันพูดจนเป็นการเคยจิตแล้วก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงแต่แต่ลักษณะแห่งการอธิบายแยกเคยอธิบายแยกให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าอะไรคือจิตอะไรคือใจแต่วัหานการพูดมันพูดออกไปทั้งจิตทั้งใจนั่นแหละเป็นเป็นสภาพอันเดียวกันมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะพูดง่ายอย่างพระอาจารย์ท่านสองี่ต้องขันห้างกายกับใจแต่ว่าก็ในแบบกายกับจิตก็ได้ใช่ไหมได้ ว่าจิตจะใจคือตัวเดรัจยานามขันธ์สี่ก็ม่ับใช่ไนะชนะแต่ใจจะใช้ในในในด้านของอายตนะจิตเป็นที่ตั้งของอายตนะยังอายตนะกับที่ตั้งของอายตนะจิตเป็นที่ตั้งของอายตนะใจคือตัวอายตนะใจมีชื่อตามแบบภาษาที่ถูกบัญญัติไว้ใน ในคําสอนที่ว่ามานายาตน ะ, ะายังไล่ไอายตนะคือใจอายตนาที่รับทราบนา ม, มารำเรียกว่าธรรมอารมณ์รับรับทราบอารมณ์ทั้งหมดคือใจจิตเป็นที่ตั้งให้ให้ใจอยู่ให้ใจสามารถรับทราบสิ่งต่างๆได้ถ้าไม่มีจิตใจก็ไม่มีอาจายังคือคืออะไรเนี่ยถ้าไม่ไ ม, มีใจจิตมีอยู่ได้ไห ม, ไ, มได้ไ ได้ไม่มีใจนะไม่มีใจมจิตเนี่ยเป็นตัวหลักจิตเป็นตัวหลักถูกใจปสว์น่หนึ่งใจใ จ, ใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาทาหน้าที่ในการเป็นอายจตนะรับสิ่งต่างๆให้จิตพร้อยตามโอนตามเอตามเพราะจิตทำหน้าที่ในการโอนตามคล้อยตามเอตามแต่ตัวที่รับทราบอารมณ์ภายนอกเข้ามาหาภายในได้ คือใจเป็นอายจตนาเพราะจิตจิตไม่ใช่อายตนะใช่คือพระอาจารย์เชริญเล่าความก็คือว่าคือคือควรเนี่ยอย่างนี้เข้าใจคือคือในบทที่ขันห้าพระอาจารย์จ้องกายกับใจนะฮะอันนี้ควรจะสับสนนะคำว่าใจเจนนั้นอายตนะก็จะมีตาอุ้ยถุงริ้งกายใจอีกอ่าจิตเราเราต้องพูดเนวฐานสี่อีกเราต้องพูดตามโมหารที่เข้าใจของโลกก่อน แล้วค่อยมาอธิบายแยกกันทีหลังว่าลักษณะแห่งใจเป็นยังไงลักษณะแห่งจิตเป็นยังไงะก็เหมือนจใกล้ตัววิญญาณนะอาจารย์ซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่คนรถ่ายงงเอาเดี๋ยวแปลว่ารับรู้หรือแปลว่าวิญญาณเขาแปลว่าจิตในหลักของนาอภิธรรมวิญญาณคือตัวจิตอภิธรรมเขาว่าอย่างนั้นอภิธรรมข้อก็ก็มีแบบตามหลักการพุธรรมที่กล่าวไว้ แต่วิญญาณวิญญาณจะเกิดก็ต่อเมื่อมีสิ่งเข้ามาให้รับทราบทางอายตนะก่อนวิญญาณถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งขึ้นมาให้รับทราบทางอายตนะตาหูจมูกิีนกายใจวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้รับทราบทางใจ และเกิดความรู้ในสิ่งนั้นเรียกว่ามโนวิญญาณไปใช่ไหมดีใจแล้วรับทราบอาการแห่งความดีใจก็เกิดเป็นมโนวิญญาณอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นอารมณ์แห่งความดีกระทบจิตไม่มีมานายตนะเป็นผู้รับทราบปิดมานายตนะไว้จะสามารถรับทราบอารมณ์แห่งความดีนั้นได้ไหม จิตก็ไม่สามารถรับทราบได้เช่นจิตที่อยู่ในอุเบกหายางในชั้นของสมาธิลึกๆชั้นลึกที่ที่ดับอายตนะแล้วดับอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตทางใจเนี่ยดับหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นต่างๆก็ไม่เกิดการรับรู้จิตจะทรงตัวอยู่ตัวเองได้ไม่ต้องมีอายตนะก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอายตนะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับจิต แต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็ต้องอาศัยอายตนะเป็นตัวรับทราบสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและส่งเข้าไปหาใจันนี้เพราะนั้นจิตต่างหาใจต่างหาเป็นอันเดียวกันไม่ได้บิญญาณเมื่อเกิดขึ้นหลังจากที่มีอายตนะเชื่อมต่อกันแล้ว จึงเป็นวิญญาณขึ้นเป็นจักขูปิญญาโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและก็มโนวิญญาณวิญญาณที่จะเกิดถ้าไม่มีสิ่งเชื่อมต่อกันวิญญาณก็ไม่เกิดมีไม่ได้เพราะนั้นวิญญาณจึงไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่เกี่ยวว่าจะมีวิญญาณจะมีการกระทบไม่มีการกระทบจิตก็ยังมีอยู่เนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้น แล้วบุตรชนคนทั่วไปก็ไม่สามารถมองเห็นจิตที่เป็นตัวจิตแท้ๆได้เห็นแต่อารมณ์สวดอบาลก็ยังไม่สามารถเห็นจิตที่เป็นตัวจิตแท้ๆได้ก็เห็นแต่อารมณ์สกัดนาคามีก็ยังไม่เห็นจิตที่เป็นตัวจิตแท้อนาคามีก็ยังไม่เห็นจิตที่เป็นตัวจิตแท้ผู้ที่จะเห็นจิตที่เป็นตัวจิตแท้แท้เลยน่ะมีจํำนวกเดียวเพราะอะไรเพราะอัตตาของจิตที่มัน ควบอะไรที่มันเครือบตัวจิตแท้ไว้มันมีอยู่สมมุติว่านี่คือตัวจิตสมมุตินะสมมุติว่านี่คือตัวจิตอัตตาเนี่ยคือสิ่งที่หุ้มจิตไว้อุ้หุ้มหุ้หุ้มหุ้มไหมเรามองเข้าไปในจิตตอนเนี้ยเราเราก็เห็นแต่อารมณ์อารมณ์อัตตาอัตมาเคยบอกแล้ว Nicht ossa, คือส่วนผสมระหว่างอารมณ์กับจิต <JavaScript>. จึงเกิดเป็นก่อตัวเป็นอัตตา เรามองเข้าไปจึงเห็นแต่อารมณ์ในจิตเราไม่เคยเห็นตัวจิตจนกว่าเมื่อมรคจิตของอรหัตตะมคเข้าไปทําลายที่สิ่งที่ห่อพุ่มจิตไว้เนี่ยพังทลายออกมาหมดแล้วจิตจะเผยตัวออกมาที่แท้จริงตัวจิตจะเผยออกมาพอจิตตัวนี้เผยตัวมาแล้วปั๊บสัมผัสกับพระนิพพานทีเนี้ยเพราะมรคจิตที่ทําลายอัตตาของจิตในภายในแล้ว จะทำกิตในการรู้นิพพานด้วยมัคคัจจิตดูนะมัคคัจจิตตัวนั้นก็คือจิตดวงหนึ่งแต่เป็นจิตที่ประกอบด้วยมากคือจิตอันหนึ่งอหละแต่เป็นจิตที่เป็นคุณสมบัติของจิตอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอัตตาเป็นเป็นการจิตที่ทำลายอัตตาพร้อมกับการเห็นพันิพัน์จิตที่เป็นตัวจิตที่เป็นที่เกิดจากระบบของจิตในนามขันทั้งสี่ พอสัาหะที่ผ่านปับ๊บก็ก็ดับไงดับความเป็นตัวตนของจิตก็ไม่มีจิตสามารถดำรงอยู่เองได้ไม่มีอายตนะก็ดำรงอยู่ได้จิตไม่มีใจก็ได้มีแต่จิตอย่างเดียวก็ได้บางคนก็บอ <c oughs> ก <c oughs> พูดขัดแย้งกับตำราอัตมาไม่ไพูดขัดแย้งกับตำราแต่บุคคลผู้ศึกษาตามตำรายังศึกษาไม่ทั่วถึงอัตมาขอใช้คําว่ายังศึกษาไม่ทั่วถึงไม่ว่าใครก็ตามจ ะ, จ ะ, จะศึกษาไปในระดับใดก็ตามอัตมาเชื่อว่ายังไม่สามารถศึกษาหลักคําสอนทางตำรัาตำราได้อย่างทั่วถึงจริงๆอัตมาก็ยังไม่ได้ทั่วถึงแต่ทําไมมีเพาะหลักของจิตออกมาแบบนี้ ก็บีกข้อตามหลักคําสอนหลักคำสอนกล่าวไว้ชัดเจนอายตนะคืออะไรจิตคืออะไรเห็นไหมล่ะวิญญาณคืออะไรก็กล่าวไว้ชัดเจนอยู่แล้วอย่างไรเรียกว่าจิตอย่างไรเรียกว่าวิญญาณอย่างไรเรียกว่ามโนคืออายตนะคือเรียกว่าใจก็กล่าวไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราเรียนรู้ไม่ทั่วถึงกันเองเราเลยไม่สามารถที่จะตีประเด็นตรงเนี้ยให้เข้าใจเราเราไปเหมาเอาว่าวิญญาณคือจิต ใจก็คือจิตอย่างเงี้ยเห็น <c oughs> ถ้าเรียนแล้วรู้ทั่วถึงจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการยึดอารมณ์ใดก็ตามนั่นคือการยึดจิตและหากเราสามารถปล่อยวางอารมณ์ใดก็ตามได้ ก็คือการเป็นการปล่อยวางจิตนะปล่อยวางจิตได้ง่ายๆที่นี่เราก็ทําความเข้าใจเลยอ๋อยึดอารมณ์ใดไว้ก็คือยึดจิตปล่อยวางอารมณ์ใดไว้ก็คือปล่อยวางจิตจิตเมื่อถูกปล่อยวางมากเข้ามากเข้ามาก เ, เ, เข้าอารมณ์ก็เกาะจิตอยู่ไม่ได้เมื่ออารมณ์เกาะจิตอยู่ไม่ได้จิตก็จะแยกตัวเองออกมาจากอารมณ์มากมากมากมา ก, มากพอจิตแยกตัวเองออกมาจากอารมณ์มา ก, มา ก, มาก มันก็จะเกิดสติขึ้นมาในตัวจิตสติก็คือจิตรวมหนึง่งเกิดจากจิตอย่างเงี้ยจิตเห็นจิตรู้จิตแล้วปล่อยวางจิตแล้วถ้าพูดถึงจิตต้องเข้าใจได้ว่าคือขันนมามขันสีเข้าใจหมเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรง ส, งสอนมาทั้งหมดให้หลักธรรมเข้าไปสัมผัสกับจิตเราเนี่ยคือ ให้จิตเนี่ยที่มาจากนมามขันศีเนี่ยพงศ์สอนเรื่องขันกือคื อ, คอสอนเรื่องจิตโดยตรงสอนให้เราเข้าไปรู้จักจิตโดยตรงสอนให้ขันรู้จักขันเพื่อที่จะปล่อยวางขันแล้วก็ดับขันไม่ให้ตัวของมันสือต่อตัวของมันเีนะพูด่าพอเข้าใจมเห้ย เดินจงกรนะฮะก็คือเอเราอยู่กับความเป็นธาตุคือธาตุดินน้าไฟลมมันก็ไม่รู้ว่าธรรมดาของธาตุมันก็ไม่ไม่ริดล้นไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราก็รู้ว่าอถ้ามันไม่มีขันไม่ไม่ไม่มีขันเนี่ยไม่มีขันเกิดขึ้นมามันก็ยิ่งไม่รุ่งใหญ่มันมันเดินมันซ่ามันรู้สึกมันจิตมันเข้าใจ ก็เข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกแล้วเป็นความเข้าใจถ้าภาวนาไปด้วยแล้วทําตามที่พระอาจารย์แนะนําไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆความรู้จะไม่หยุดอยู่ๆๆกับที่เดิมเราเทียบกับความรู้ที่เราเคยรู้มาก่อนนี้กับตอนนี้ตัอะอย่างกันใช่ไหมเ น, นี้อความรู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยจะจะถ่องแท้ขึ้นไปเรื่อยจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นไปเรื่อยนี่คือความแตกตา่าง ไม่ให้เข้าวัดสิปีก็ยังเหมือนเดิมสิปีนะถาอะไรคือขันห้าก็ยังแต่งขันห้าเป็นขันดอกไม้อยู่เหมือนเดิมทําขันห้าเป็นขันดอกไม้อยู่เหมือนเดิมสิปีก็สิบปียีิปีก็ยี่สปีอยู่นั่นมันคืออะไรมันคือวิถีชีวิตที่ไม่คืบหน้าและมันไม่ใช่หลักของปัญญาปัญญามันจะเกิดการงอกใหม่เหมือนกับการผลีใบใหม่ของดอกไม้ของต้นไม้จะเกิดพการผลีใบอยู่เสมอ ต้นไม้ที่จเจริญเติบโตจะเป็นอย่างนั้นคนจะจะมีการจเจริญเติบโตในภายในก็ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆพรนะโสดงก็มีสิ่งว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจใช่น่ า, นาอัศจรรย์ใจถูกต้องไม่มีอะไรนะ่าอัศจรรย์ใจเท่ากับคําสอนของพระเจ้าหลักธรรมคาสอนพระเจ้าน่าอัศจรรย์ที่สุดอัศจรรย์สูงสุดไอคนที่หอะมายังไม่น่าอัศจรรย์ เหมือนอากาศหายตัวได้ยังไม่น่าอัศจรรย์เพราะมันไม่ได้ทำให้พลพลพุกแต่คนที่เห็นทำอย่างนี้สาภาวธรรมอย่างนั้นมันน่าอัศจรรย์มากว่าทํำไมผู้ได้เจ้าเอามาสอนได้ถูกต้องตรงประเด็นได้ได้อย่างสุดยอดอย่างย อ, ยอดเยี่ยมฮะใครผู้ใดมาเทียบทานไม่ได้แล้วหลักการนี้เป็นการหลักการของการดับทุกข์ได้ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นมาดับให้ไม่ใช่ต้องคอยบวงสรวงเส้นไหวสารเสริญพร้องขอรอผลดนบันดาลไม่มี รั้วแล้วแต่เกิดจากความภาคเพียนใช่ไหมมีมีใครไปดับทุกข์ให้กับโยมน้องมั่งหรอความเพียนตัวเองด้วยการอาศัยหลักคําสอนเข้าไปปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติต่อความทุกข์ที่มันเกิดแล้วมันดับใช่ไหมก็ดับด้วยตัวเองมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ดับด้วยตัวเองจะอยู่อยู่ที่ไหนก็ตามความทุกข์เกิดขึ้นก็สามารถดับด้วยตัวเองได้นั่นคืออัตตานิยตโนโนาโถตอนแลรเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ก่อนวิ่งหาคนนวิ่งหาท <c oughs> ี่ เราถึงเป็นอย่างนี้มีสิ่งนะั้นมาทําให้เป็นหรือสิ่งนี่มาทําให้เป็นหรือปล่า น, นะกอเดี๋ยววันดีวันดีคืนดีมันก็เป็นขึ้นมาอ๋อนี่มัน ม, มันอยู่ในจิตใช่ข้างในเมันใช่จะรู้หรือจะหลงแค่นั้นเองอสรุปรวมความลงถ้ารู้ก็ไม่หลงถ้าหลงก็ไม่รู้อยู่แค่นี้ ก็ยังยึดอยู่เห็นชาติแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เดินนิ่แต่นายจนยังปล่อยวางกันยังไม่ได้หรอยังก็ต้องอยู่ในภาวะที่พูดถึงนี่คือพูดถึงในฐานะของผู้ยึดอยู่นี่พอยึดอยู่นั่นแหละแต่รู้วิธีการที่จะเข้าไปดับจากผลที่เกิดจากการยึดนั้นก็รู้วิธีที่จะเข้าไปดับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดนั้นได้ให้ทุกทุกคราวทุกๆคราวใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ทุกมากไม่ทุกเต็มอย่างที่พูดตั้งแต่แรกไม่ได้จับมันแบบเต็มเ็มเหมือนแต่ก่อนเนี่ย ทานเพิงไม่ใช่ทิ้งมันไปเลยทานเพิงที่เคยจับมันมาเนี่ยก็เราก็ยังจับมันมืนเดิมแต่เรามีอุปกรณ์ในการจับมันเนี่ยเป็นเหล็กทิ้ใช่ไหมหลักเราก็ต้องอใช้มันใช้ประโยชน์ของมันอยู่ในการหุงต้มในการทําหุงหาอาหารในการให้ความอบอุ่นเราก็ยังใช้มันอยู่ทานเพิงนั่นเพื่อความเป็นอยู่ไม่ใช่ทิ้งมันไปเลยแต่มีปัญญาเข้าไปจับแต่ก่อนเราไม่มีปัญญาเข้าไปจับเขาเราเอาวิชาเข้าไปจับเต็ม ก็ทุกเต็มเวลาทุกเกิดขึ้นาอาคาคำสัญญาครับเองกรณีพูดถึงยึดสัญญาค่ะจะทํายังไงให้มันพี่คายมันยืดเหยียด่ถ้าเรารู้จักตัวสัญญาโดยตามความเป็นจริงว่ามันคายตัวเพรามันเองอยากจะยึดก็ยึดไปสิมันจะยึดได้ไหล่ะตอนที่มันคลายตัวแล้วมันดับหายไปเนี่ย เมื่อเราเห็นอาการคลายตัวและดับหายไปเราจะเอาอะไรมายึดตัวสัญญาแล้วเวลามันเกิดเราจะเอาอะไรไปยึดมันเพราะตัวมันเกิดตามภาวะของมันการที่พระเจ้าให้เห็นการเกิดและการดับของสัญญาขันตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเรายึดมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ กูจะให้รู้อย่างนี้แล้วเมื่อมันดับจะยึดไว้ก็ไม่ได้มันเกิดจะให้มันดับก็ไม่ได้ก็มันเกิดเหมือนอยัง <Okay. S 1> อบรมแม่เี้ยง ม, มันนั่นมันมีแต่ความคิดคิดไปแล้วมันดึงใจเราไปมันดึงใจตัวไหนไปก็ว่าความคิดไม่สามารถดึงใจใครไปได้เพราะความคิดหากเรารู้อยู่แล้วมันคิดอยู่ข้างในมันเกิดอยู่ข้างใน แล้วกระดับลงไปข้างในแล้วมันจะดึงไปไหนก็ตัวเองก็นั่งอยู่นี่นอกจากความหลงจะหลงอยู่ในตัวเองเข้าใจว่าจิตมันดึงไป <c oughs> คือเหม่อลอยไปตามอาการแห่งความคิดนั่นคือความหลงหลงว่าตัวเองเป็นไปตามอาการแห่งความคิดซึ่งที่แท้จริงแล้วจิตไม่ได้ดึงใครไปไหนจิตก็เกิดอยู่ที่นี่ตั้งอยู่ในนี้แล้วกระดับลงไปในนี้เห็นการเกิดการดับอยู่ในนี้ว่านี่คือความคิดที่เกิดขึ้นนี่คือความคิดที่ตั้งอยู่นี่คือเรื่องของจิตคิดนี่คือสิ่งที่เป็นความคิด นี่คือสิ่งที่จิตคิดขึ้นก็รู้อย่างนี้มันจะตั้งอยู่แค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถดึงใจใครไปได้มันก็อยู่ที่นี่ดับตรงนี้เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอยู่นี่ดับไปนี่เราเข้าใจมันดึงเราไปอยู่บ้านดึงเราไปหาลูกดึงไปหาโน่นหานี่มันไม่ได้ถึงอะไรไปไหนมันจะไปดึงที่ไหนไปที่ไหนะถ้าดึงไปได้มันไปแล้วป่านนั้นไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมนี่หรอกอันนี้ก็นั่งอยู่ที่นี่นะใช่ไหมล่ะก็บอกก็เห็นการเกิดการดับอยู่ตรงนี้เวลานี้ขณะนี้เห็นอยู่ตรงนั้นแม้มันไม่ดับก็ให้รู้ว่า นี่แค่ความคิดนี่คือจิตสิ Lean ่งสิ่งที่จิตคิดขึ้นนี่คือจิตกําลังคิดนี่เรากําลังคิดนี่เป็นความคิดของจิตนี่ก็สั์แต่ว่าความคิดนี่คือเรื่องที่จิตคิดก็รู้รอบรู้อยู่ไงมันจะล้มไปไหนล่ะแต่ถ้าไม่ทาอย่างนี้ก็หลมไงหลงเข้าใจว่าตนเองเป็นไปตามอาการแห่งความคิดหรือมันดึงจิตเราไปดึงตัวเราไปดึงใจเราไปมันดึงไปไม่ได้หรอกเราจะไปดับความคิดคนที่ไปดับความคิดคน คนนั้นคือปฏิบัติผิดหลงปฏิบัติแล้วประเภทที่เรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยรู้โดยไม่ต้องคิดอะไรประเภทเนี้ยเอรยะว่ <c oughs> จะหลงไปไหนอีกก็ไม่รู้แหลนะนั่น่ะไปทางไหนก็ไม่รู้รู้โดยไม่ต้องคิดพ <c oughs> อใจบ่พอใจกันแล้ว กูมีปัญญาทั้งหลายท่านก็ลืมเข้าใจกันแล้วนะอาายในตัวเองเนี่น<ะ>ก็ก็ยังไม่ได้ถึงสุราภาิทิคนนะแต่รู้สึกว่าที่เทียบเพียงนะขนาดเป็นโรคตานะซึ่งจริงคนนี่ก็ขาจะตกใจนะแบบว่าจิตมันก็แบบว่าเฉยๆยนะอมรับมันแล้วก็ก็มหาสตางค์คือไม่ใช่เกิดนิมิตใจที่ดีนะแต่ว่าการหายของเราเนี่ยให้เท่ากัมันมันเจ็บฟัน ซึ่งจริงๆแล้วยี่เปลี่ยนความะคือรู้สึกว่าผลแห่งบุญที่เราทานะรู้สึกของตัวเองค่ะจิตมากกว่าความเห็นที่เขาไปรับทราบและไม่พิจักกังวลกับเรื่องนั้นแล้วพระอาจารย์คิดดูเดี๋ยวนี้เปียก็ไม่อยู่ทําเองอ่ะเราก็เหมือนกับว่าเราใช้ธรรมะเนี่ในการที่เห็นว่าตกแต่งตัวเองอ่ะให้อยู่กับมันได้แล้วมันก็เหมือนกับบุญก็เหตุที่ทํานะไม่ใช่โยกเียก็ไม่อยู่ก็มองเห็นคนอื่นเป็นโยมเปียแทน ไม่ใช่ฮะมันก็แบบว่ามันก็เกิดแล้วแลนน้วมันก็มีแบบว่าอยู่ดีก็ไอ้มีก็มาแทนที่ไอเปียแล้วมีเขาก็ดีนดีดีซึ่งหมอถือท่าก็ชนนะมแล้วบอกไอพี่อู๊ดเนี่ยเขาเขาจำชมแบว่าไอมีเนี่ยดีมากเลยนะีแกคือเราสามารถพึ่งพิงเพราะอะไเนี่ยเขาเขาอยู่กับเราเขาก็ออรักเราอะ่ะแล้วเราก็แบบว่าตอนช้าที่ให้กิกนผลหม้ปังด้วยเพราะถ้าต้องกินนะถ้าต้องบำรุงน่ากันหรือเรามีอะไรเรารก็เอื้อให้เขาด้วยเพือรู้สึกสั่งชีวิตเราที่แม้ไม่มีเปียนะ แต่เราก็อยู่ได้อยู่ที่แบบเหมือนกับใช้ธรรมะนี่พระอาจารย์สอนน่ยต่อไปไม่มีใครอยู่ก็ อ, อยู่ได้ก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเรามอ ง, มองดูหมอสุทธามันก็มองเราตลอดนะเว่าเราทําอะไรเราก็ตื่นเราแล้วมีวินญาณตื่นตี่น้าเราก็ทําอะไรคือชีวิตมันก็เหมือนกับเป็นจรงิงเราลำบากมากในชีวิตนี้นะไปทํางานก็เหมือนกันนะลําบากมากนะอยู่พี่เล็กเนี่ยพรพี่เล็กเขาต้องทนแบบว่าเปียกเปียกเปียกเนี่ยนะแต่เราเราใช้ธรรมะเลยค่ะในการที่อยู่หรือสึก ธรรมะที่วิ่เจ้าสอนเนี่ยคือจัวเองคิดว่ามันรระเสริอ่ะมันมันดีแล้วก็ขอบคุณน้องนี่แนะนําน้องคนแนะนาเรื่องผลไม้ปังนะเพราะตั้งแต่กินนะมันเหมกับมันมีกําลังออาจารย์เหมือนกับมันมันทําให้เรารู้สึกช่วชีวิตเปี่ยไปนะแล้วก็แล้วก็พอมีกําลังมันก็ทําอะไรแบบมันมันมันมีแบาคณะในการทํางานก็จารย์ไปทํางานก็โอเคขึ้นชีวิตตั้งแต่ตีห้าจนถึงแบบนอนสี่ทุ่มคิดดู ป้องที่ใช้ร่างกายแบบว่าแต่มันเหมือนมีพลังอะอย่างเงเอาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าก็ดีที่เรามีพี่นายว่าเราก็มาวัดในร่างกายเรามาฟังทำเรื่องมันก็แหมกันแต่พอเทียบเคียงสิ่งที่พวกเธอทำนะเขาบอกคนำเพที่ทําเยอะๆเนี่ยป้องกันอันเสย์มือได้ไม่รู้จริงหร้อบอกเพราะชานมันมีกระดูกที่ไปญี่ปุ่นใชมีกระดูกได้มีหินสองก้อนท่าละสอก้อนที่บอนะหินเนี่ยมันจะมีสองก้อนท่าละโอ้อันนี้เราเราปิดอันนี้ดีไมเนย พูดไปเรื่องุ่นแล้แต่พูดถึงว่าเรามีการเครื่องไหวแบบนี้มันจะทให้ความจำอะไรดีแล้วธรรมะมันจบแล้วเนาะเนมะงั้นก็พอสมควรแก่เวลาในการอธิบายธรรมะแต่เพียงเท่านี้เอียวัง